สิบสองทอลเครื่องดื่มดื่มดิฉันดื่มชาค่ะยย ด, คดิฉันดื่มกาแฟค่ะฉันดื่ k กาแฟค่ะ ดิฉันดื่มน้ำแร่ค่ะฉันดื่มน้ำคุณดื่มชาใส่มะนาวไหมคะดื่มชาด้วยส้มคุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมคะดื่มกาแฟด้วยน o ำตาลคุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมคะดื่มน้ำแข็ง มีงานเลี้ยงที่นี่ h า r är det fest คนกำลังดื่มแชมเปญคนกำลังดื่มไวน์ s e r เ n d e v i คนกลคนกำลังดื่มไวน์และเบียร์คนกำลังดื่มไวน์และเบียคนดื่มวนเคนมเรคดื่มไเคงดื่มแรลื่คกงดื่มและ์ลไกมไคมะคะ คุณดื่มวิสกี้ไหมคะดื่มคุณดื่มโค้กใส่เหล้ารำไหมคะดื่มคุณดื่มโค้กละเมรมดิฉันไม่ชอบแชมเปญฉันไม่ชอบไวน์ฉันไม่ชอบไวน ดิฉันไม่ชอบเบียร์อเด็กอ่อนชอบดื่มนมบี้ลเด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ลด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ลเอ้หญิงชอบดื่มน้ำแ้มและน้ำแปเปิ้ Kvinnen liker apelsinjuice og greipfruktjuice.